สิ่งไรนะอัปปสัโใช่<ม>อัปปสัโทมีเสียงเบามีเสียงสูงจบอะไรหนะ้ามือค้ํากายโครงกายใช่ไหมครับั่นแะกรามาดูในบทสมวิธีนะครับบทสมวิธีหน้าเท่าไหร่หน้าร้อยก้าสิบสองครับร้อยก้าสิบสองสือบสดวิธี <c oughs> ข้างล่างนะครับข้อที่ยี่สิบเ็ด มันปพชิตเพิ่งจะทําความสําเนียกว่าเราจะไม่เดินเอามือเท้าแสเอลไปในละแวงบ้านยี่สิบสองมันพชิตเพิ่งจะทําความสัมเนียกว่าเราจะไม่นั่งเอามือเท้าแสเอลในระแวกบ้านแลสี่ข้อเลย <c oughs> ยี่สามมันพชิดเพิ่งจะทําความสําเนียกว่าเราจะไม่เอาผ้าคลุมศรีรษะ เดินไปในละแวดบ้านยี่บสี่บันฝชิเพิ่งกระทำความสำเนียงว่าเราจะไม่เอาผ้าคลุมศรีศรษะนั่งในละแวงบ้านอาต่อยให้ยี่บหกเลยครับยิบหกเลยครับยี่สิบห้าบันฝชิเพิ่งกระทาความสาเนียงว่าเราจะไม่เดินขย e เดินด้วยปลายเท้าหรือส้นเท้าไปในละแวกบ้านยีสิบหกบันพชิษคือกระทำความสำเนียงว่าเราจะไม่นั่นเอามือเกอะเข่าหรือเอาผ้าทัดเข่าในละแวกบ้านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบหกจเป็นสาลุปาสิกขาบทสิกขาบทที่ว่าด้วยกิริยามารายาท ที่บรรพชิตควรกระทำถ้าไม่ทำตามโดยอาศัยความไม่รบต้องทุกข์กอครับ <c oughs> มาดูตรงเราจะไม่เดอามือเท้าเอวนะครับ <c oughs> ก็คือเอามือเท้าเอวที่ไหนนะหนึ่งข้างหรือว่าสองข้างนะครับนักพยานักพยาแบบหรือพวกอะไรนะพวกวิศว ก, กรแถวบ้านนอกใช่ไหมเวลาคุมงานอนะ แค่เ <c oughs> ท่านี้ครับะทั้งในเวลาเดินไปแล้วก็เวลานั่งก็เหมือนกันแม่เอาท้าวเอลนะครับข้อ22เนี่ยนนเวลานั่งน่ะพิสุู้พักในบ้านได้ไม่เป็นไรนะคร <c oughs> ับพิสุู้พักในบ้านทําได้ไมนเป็นไรนะอย่างนี้ <c oughs> เ, เกี่ยวแม่เอาผ้าคลุมศีรษะเดินเป็นอะไร บ, บ้างบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันรอดผ้าคลุมครับ <c oughs> แต่ดูตาสับของท่านนี่เป็นคําอธิบายนะเขาพูดถึงว่าห่มคุมสีสันนะครับสีสันบาลูกิตวานะห่มคุมสีสันก็เลยเวลาห่มแบบเข้ามาใช่ไหมที่เข้ามาคุมสีสันนะครับนั่นแหละคุมสีสันก็เลยนะครับทีนี้ผมสงสัยขึ้นมาหน่อยถ้าเราไม่ได้ห่มคุมสีสันเอาผ้าอื่มาคุมเนี่ยจะได้ไหมที่ใคยถือกันเคยเรียนก็คือว่าไม่ได้นะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะ ตอนนี้นะครับแต่ถ้าตามตาก็บอกว่าเอาผ้า น, นะครับห่มคุมสีสนอ่างนี้นะะถ้าเราไม่ได้ห่มคุมงั้นอ่ะแค่เผ้ามาคุมอย่ น, น, อ น, นี้จะเรียกว่าห่มคุมสีสันไหมเอาผ้าคลุนั่นนั่นครับส่วนใก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็จะเอาผ้าอะไรอาสนะบ้างสรบอกบ้างใช่ไหมครับ ม, มคุมสีสันทีแล้วกันแดดกันหนาวานี่ครับแต่ แต่ถ้าถ้า er <น resolution, S 2> เกิดสายตาสมว่าดูให้ดีอยู่ดีอะรั้นก็การลงไปเลยนะการลงไปเลยว่าจะถามยังไม่ทันถามจานนันานี้ไม่ไกลเดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วก็ถามให้แน่ใจอีกทีนึ่งต่อไปครับคาว่าเราจะไม่เดินขยิเดินด้วยปลายเท้าหรือส้นเท้านะครับใช้ปลายเท้าเดินหรือว่าส้นเท้าเดินอย่างนี้นะครับ ไม่มีว่านั่งนะอันนี้จะอิเดียบนเดินอย่างเดียว <c oughs> ข้อยืนสีนั่นก็เหมือนกันนะครับที่อาผ้าคลุมศีรษะนั่งอะไรบ้บ้านนะค<ช>ือถ้าแปลดูตามสามแค่นี่ยนะ<ช>มันในเกตัวว่าจะห่มไม่ห่มใช่ไหม<ช>แต่บอเอาผ้าคลุมศีรษะนั่นแล้วแบบางบ้างก็ไม่ได้ ก, ก็ถูอตางนี้ไปก่อนนะครับ<ช>เดี๋ยวถามข้อมูลให้แน่ใจอีกทีนะเอาว่าเาผ้ามาคลุมศีรษะไม่ได้<ช>แต่ว่าอาผาได้นะจะปวดได้คือบอกว่าห้าเดินปลายเท้าใช่ไหม แล้วสมมติว่าเราเดินในขณะเดินเราไปเหยียบแก๊งโอ้ยเป็นไรก็ไม่เต็มอนะบันครับมีอันตรายทั้งเจ็บนะครับไม่สามารถเหยียบเท้งไปเต็มๆได้ใช่ไหมทำนั่นแหละมันก็เลยต้องเดินด้วยปารท้าหรือว่าส้นเท้าไม่เป็นไรครับพวกมีอันตรายก็ดีนะหรือว่า่่าผานตก็ดีไม่เป็นไรครับนะบัตข้อยี่สิบสองยี่บสี่ยี่สิบหกสามข้อนี้นะครับพิสูจน์พวกเข้าไปพักในบ้านได้ไม่เป็นไรนะ เอามือเท้าเอลก็ได no ้นะครับเอาผ้าคลุมศีรษะก็ได้นอนคลุมโปงก็ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อะไรนะเขายี่สิบหกใช่ไหมเราจะไม่เอามือนะครับหรือว่าเอามือกอดเ่านะคันหรือว่าเอาผ้ารัดเข่าไม่ได้นะครับเวลเข้าไปละแมกบ้านนะถือว่าไม่เรียบร้อยนะครับแต่มื่อถึงที่เข้าไปพักในบ้านทําได้นี่เป็นไรนะครับ ทีมาดูต้นขึ้นมาจากภาคตะวันกวันนี้ม่แดดหนึ่งท่านบางทีอีกบางท่านบางที่ตั้ง ก่อนจนจบแล้วนะมือเรจบแล้วครับก็เลยร่วงเลเยน่อยคำประกาศวักนาหน้าเก้าร well, like, ้อยสองใช่ไหมเ้อยสอสามที่กลางนอ่มึงทะไรให้มถึงนี่เหก่อนนี่ไงแปดร้อยหกสิบเจ็ดใช่ไหมครับแ6ดสิบเจ็ดนี่ไง อที่หนึ่งเดินค้ำการไปในระบ้างบ้าครั้งครั้งห น, น้าห น, น้าแปนะ่ร้หกสิบหกเจ็ดนะท่าินัยจีดอกหน้าแปดร้อยหกสิบเจ็ดนะครับดีต้นอย่างนะครับ น, นี่สิคำที่หนึ่งสามสีนิทานครั้งนั้นพระจัระกรพรรดิเดินค้อมกางไปในระเบียงบ้านผู้วงก็ร่างครับช่วงก็มีสิคำขึ้นมามีพระบาลเนี่ยที่บายว่าอันที่สุไม่ควรเดินค้ำการไปในระบงบ้าง ี่สูจน์ได้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินค้ากายข้างเดียวก็ดีนคับตอกทั้งสองข้างก็ดีไปในระแวาบ้างต้อนบัดุกดมีอานาบอกว่าไม่จงใจไม่เป็นไรนะครับเหอไม่จงใจนี่เป็นยังไงนะครับอก่อนไม่ได้ตั้งใจะครับแบบแล้วมันไปทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ตั้งใจอันนี้ต้องเผยสติข้อนะครับเผสติมีข้อ ไม่ได้ตั้งใจอาจจะอะไรเนี่ยไม่แกมมือมันมันไปอย่างนี้เองครับว่าไม่ตั้งใจไม่ม เ, เคยตัวทำเคยตัวทำเคยตัว <laughs> อาจะได้เข้าเผลอสติงานะไรตัวไม่รู้ไม่รู้ว่าอย่างนี้แหละที่ก็บอกว่าเอามือค้ากายในระแวก บ, บ้านนะนะครับก็จะไม่ได้ค้าอาพาธได้ปดมันเมื่อยมันสบายนะครับอาพาธได้มีอันตรายเนี่ย วิกรณ์จิอาธิกรมนี้ก็ไม่ต้องอาบัตะไรข้อที่สองก็เหมือนกันสามัคคีนิทานครั้งก็จะเมื่อกีนั่งค้ำกางในระเบาบ้าง น, นี่ก็เหมือนกันนะที่สูดาใส่ความไม่เอื้อเฟื้อนั่งค้ำกางข้างเดียวก็ตาสองข้างก็ตาในระเบ้าบ้างต้อมาทุกกดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเดินใช่ไหมอันนี้นี่นั่งมียนาบัตะพิเศษขึ้นมาข้อนี้ว่าอยู่ในที่พักได้ไม่เป็นไรนะครับ น, นี่นะ และต่อไปนะครับครั้งนั้นพระเจ้าพคีเดินคุมศีรษะไปใ น, นละแวกบ้านนะครับพระบาลีอธิบายว่าอันพิสุไม่คึงคุมศีรษะเดินไปนนละแว่ากบ้านพิสุไจะอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อเดินคุมศีรษะไปละแวกบ้านต้องบัตรุกต์นะครับนี่ไม่ได้เลยนะอาณาบัตรก็เหมือนาา ก, กันคับเหือนกันนะอาพาได้นะเราป่วยเนี่ยนะครับหรือว่าถ้ามันโดนอากาศร้อนๆหรือว่าหนาวๆมาเราป่วยแน่ใช่ไหม เราเป็นภูมิแพ้นั่งในรถเนี mm ่ย hmm. เ, เสร็จไหมนะครับวันนั้นผมก็ไม่กล้าคุมนะั่นที่ไปประเทศลาวนะ่ะอากาศเย็นมากต่างหาไปนะครับก็ mm hmm. คืออาบัตไม่กล้าอะไรคุมเลยก็ปล่อ ย, อยงั้นนะครับแต่ถ้ามันป่วยจิิงได้นะครับมีอันตรายนีได้เป็นไรแล้วก็นะครับข้อต่อไปก็ครั้งนั้นประจักรยานยนคุงสีสันนั่งนเนระเบ้าบ้างาอันนี้คือสูจน์พิียที่ภาคก็ไดไ้เป็นไรนะคราบก็แล้วนะข้อต่อไป คั้งนั้นก็จจุบันคีนะครับกระยองเท้าเดินไปในละ่ากบ้านอันที่สูงไม่พึงมีการกระยองเท้าเดินไปในละแวกบ้างที่สูสาสาองอาศัยความไม่เอึดเฟือ้อเดินกระยองเท้าไปในละแวกบ้านข้องบัตทุกกฎ น, น ะ, ะไม่จงใจเถอไม่รู้อาผ่าหน้าใช่ไหมครับมีห <c oughs> นะเท้าโดนอะไรนะ <c oughs> เความเกยียดเศษแก้วนะคะ <c oughs> รับหรืว่ามันเจ็บเป็นอะไรอย่างนี้นะอยู่ในทีิพย มันเกี่ยวอะไรด้วยอันนี้มันเกิดมาแล้วไม่เกี่ยวนครับนี่นะไม่มีเยื้อที่พังครับเนี่ยมนดูอะไเยอะที่พ้ายไปใดใดอยู่ไม่มีเนี่นะไม่มีเขาไม่มีอันนี้เกิดมานะหมันถึงว่ามีอันตรายมันมีอะไรนะเสร็จแก้มีไหนตรงนั้นใช่ไหมครับมันดีต้องใส่เรื่อขยิบเท้าหน่อยนะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงนี้ได้นะครับตอนนี้ที่ผมเคยไปโรงพาบาลทีหนึ่งนะครับ พยาบาลบอกให้ใส่รองเท้ามาบอกมันอันตรายคุณเจ้าอันตรายมันมีเชื้อโรคเยอะแยะมากมายโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้หรอกเขาอยากให้ใส่รองเท้ามานะครับเกิดบางทีอะไรนะพวกคนในงพนักงานโรงพยาบาลเข้าทำประหลอดเลือดแตกนี่นะครับมันก็มีรอยมีข้ามใช่ไหมครับนั่นเอันตรายไม่ต้องเข้านะครับจริงนะอาจารจริงว่าโรงพยาบาลเชื้อลงเยอะเชื้อลงเยอะจริงนะ จริงนะอาจายใสนะเพราะว่าโรคบางชนิดยังจรับแต่ถ้าเป็นคนที่ภูมิุการต่ํานี่นะอันนั้นก็ได้จริงครับพอใส่รองท้ามีข้อเนี่ยส่รองท้าเข้าไปแล้วแวะบ้ากใช่ไหมมันอยู่ในไม่อยู่ในเสถียวันนะมันอยู่ในขันตะกะใช่ไ้มครับใส่รองท้าเข้าไปแล้วแวะบางไม่ได้แต่ถ้าเมียนชรอย่างนี้ก็ได้นะถ้าว่ามันจะป่วยจะอะไรขึ้นมาจริงๆครับโดยเฉพาะคนที่ป่วยึนขณะว่าเป็นโรคอะไรอย่างนี้นะ คูมุ้มกันเขจะต่ามากนะครับเจอเชื้อโรคอะไรมันเข้าง่ายครับน่นนลีแห้งเนี่ยใต้งพีแห้งเนี่ยเวลาอากาศเย็นเ็นแกก็โนเย็นไม่ได้เลยครับโดยแกจะเสียวจ้างเลยแกต้องใส่รองเท้าเพราะทีไปแต่อทุกวันแกใส่รองเท้าไฟเพราะว่าอากาศเย็นเหนียนต่างร่างกายได้เนียนอันนี้มันมี็กหยงเท้านะครับเหนียนตรายก็ได้ นั่งรัดเข่าก็เหมือนกันนี่นนไม่ ย, ย่างนะก็จะบุกคีรักเขา่านะครับนั่งในระแว่างบ้างนะครับอันนี้บอกว่าพิสุดาแห่ความไม่เอื้อึเฟื้อนั่งรัดเข่าด้วยมือก็ตามรัดเข่าด้วยผ้าก็ตามหรือว่าด้วยสายรัดเข่าสายโยกก็ตามในระแวงบ้างนะครับต้องอาบัตุกฎนะครับไม่แกล้งเรือไม่รู้ตูไม่รู้รอาผ่าได้นะ อ, อยู่ในที่พักไม่น่าเหมือนกัน มีอันตรายพิกนจะอธิกรรมพิกลไม่ต้องอ่านบรอะไรนะคนี่ก็จบมาถึงนี่เช่านี้พี่เข่ากันนั่งรักเข่าดีจนั่งไป้ไหมอ๋อไม่ใช่นั่งเข่าผมเตะนะได้กนได้ครับนั่งอะไรนะนั่งก่อนห้าอย่างนี้ไงเอาขึ้นมาข้างนึงครับอ๋อแบบนี้ใช่มแบบนโคเงค ยังไม่กระดิกเท้าก็แล้วกันฮะไม่ได้ายเ้าม่อรยครับที่มาไม่ส่รองเท้าเข้าไปในกระเบ้อว่าแล้วานั่งัไม่เลื่อนอครับอ๋อน้ํเท้าเหรโยน้เท้าใช่ใช่ถ้าบางที่ยงก็จะรู้เลยนะว่าภาพวันนี้จะไม่สองท้าเข้าไปเนี่ยเขจะมีน้ำล้างท้าให้่ ย่างเกาตากแต่ลบ่าข้างความทั้งโยมของไม่รู้เราหาพาเช็ดเท้า่าหาไม่ได้เพราะนั้นเราควรทํำยังไงแล้วก็บอกโยมมีน้ําอัตมานเท้าเปื่อนโยเท้าเปื่อนก็จะขนขวาให้เองครับแล้วไม่ขนขวายก็ไม่เป็นไรเขาบอกไม่เป็นไรมูนเจ้าเข้ามาเลยก็บ้านเขาเอนาะเปื่อนก็เปื่อนสิเข้าอนุญาตแั้วก็เดินเข้ไปเลยก็เจอเจอประจําระจำแล้วบางครั้งไม่ใช่โดยเอพบ้านโยม วัดนี่เราไปสู่วัดถึงเราจะคืนสลัแต่ว่าลำบากืกันต้องหาเดินหาเกาะมาหาห้องมาอย่างที่เราไปประเทศลาวนะครับแล้วก็เดินไปแล้เจ้าถิ่ก็ทากันอย่างนี้คถือว่าเพึ่ตามเจ้าถิ่นนะครับพื่ตามเจ้าถิ่นแล้วเราก็ไปล้างในห้องน้ำ้าอนี้มาดูความที่มาในกลางคครับ โอ้ยสั้นจริงนะ274นะครับนนี้สั้นมากเลยคำอธิบายนี่ดียนะครับเดี๋ยวขอดูเรื่องนี้หน่อยนะเดี๋ยวว่ามันจะมีอะไรเพ่มเตะครับเมื่อวานนี้ถึงเช้า ข้อห้า 2.4 ข้อ 21-22 นะอธิบายคำประกตะศิขาบทในศิขาบทที่ 21-22 คำว่าคำประกโตแปลว่าเอามือค้ำเสกอย่างนี้เหนะอธิบายไปแล้วจบแค่นี้สั้ น, นเลยเพราะว่าเนื้อความเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับมไม่ยากอะไรในเรื่องนี้ก็เหมือนกันอธิบา ย, ยมากครับ ต่อไปนะครับอนณาบัตรก็เหมือนกันนะที่ว่านะครับอาผ่ามีอันตรายนี้ได้ยังไง น, นะครับยี่สามยี่สี่นะครับอธิบายโอคุนติตาสิกขาบทในสิกขาบทที่สามถึงยี่ ส, ส, สี่คำว่าโอคุนติตโตแปลว่าคุมศีสานะครับ น, นี่ก็ตรงคำเลยนะไม่ได้บว่าห่มคุมไม่ได้ใช้คำอย่างงี้นะครับบอกเลยว่าคุมศีสันนะครับสั้นๆนี้เลย แต่ว่าท่านในตรงนี้น่ะในท่าบาลีนะครับท่านจะอธิบายหน่อยนะอธิบายว่าโอคุณติดโตตีนะ่ยอธิบายอย่างนี้เลยสะสีสังปาดุโตนะครับท่าบาลีว่าคุมศีสระคือห่มคุมทั้งศีสระนะครับคือถ้ดูตาสังไม่เหมือนกันอย่างนั้นเลยนะเหมือนในการห่มคุมทั้งศีสะนะครับเนี่ยถ้าจะเอาตาสังถือตา น, นี่นะอธิการก็ภ อ, อกไปนะ่อ่เห็นบอกแล้วนะครับจบเพื่งสั้นแค่นี้นะ ผมก็เลยสงสัยว่าท่านเราไม่ห่มคลุมทั้งศรหน้าใช่มเราผ่ามาคุมอย่างนี่ครับไอ้ถ้าตาตาฐานนี่เห็นะหมอันนี้อยู่นนในสกการะสมัญต์นะครับอธิบานนยอย่างนี้เลยสรีสังปาต้ององนะรับมคุมทั้งสีรษะอย่ารนี้นะจะเรียกว่าห่มหรือ ว, ว่าแค่เอาผ้ามาคุมก็เรียกว่าห่มข <c oughs> <c oughs> นาดเมื่อวาเอาผ้าผ่านว้ พุ่นนรกนั่งเลงใช่ไหมพันคอยมีการหมเลยถ้ามลคืผมเลยหยิบคีรอเคยถามว่าไม่เคย อ, อันนี้ติดแ่สินะครับไม่ไมนะ่คีอะไรต่อไปครับยีิบห้าที่บา อ, อุ ก, กุติกาสิกขาบทนะครับในสิกขาบทที่สิบห้าการเดินกระโยง คือกิริยาที่วิสุยกส้นเท้าทั้งสองจดพื้นนะครับเดินด้วยปลายเท้าทั้งสองหรือขย่งปลายเท้าทั้งสองขึ้นจดพื้นเอด้วยส้นเท้าทั้งสองเดินไปนะครับไม่ได้ทั้งนั้นนัอย่างนี้อย่างนี้ก็คํานี้เป็นปฏิธารมิพัทธในสิกขาบทนี้มีลักษณะมีลักษณะก่าแล้วอะไรโอเคเนี okay. ยนจบมะยิ่สิบหกนะครับอธิบายปรักติการศิกขาบท ในสิกขาบทที่16คาว่านับปรัชญาคือพิสุไม่ควรนั่งเอามือรัดเข่านะครับหรือเอาผ้ารัดเข่านะเมื่อนั่งโดยไม่ใส่ใจต้องบาตรุกตนะครับแต่สำหรับพระพริสุผู้เข้าไปพักในบ้านไม่ต้องอ่านบริสิกขาบทนี้สามารถทำได้ในสิกขาบทที่22และ24นะว่าแปลนะ <c oughs> 22 24 26ในชะ่ไหมอันดังที่3และข้างต้นก็ไม่ต้องอ่าบัตร สำหรับพิสูจน์ข้อปฏานะเหมือนกันจอการที่บายสาลุปะสืขาบบททั้ง26ข้อนะครับเอา วิธีต่อ เ, เนื่องเรื่องการที่เราป้าตรุ่ิปีศาถ้าเราร้อนนี่ร้อนหนาวถ้าไม่ถึงดีดยทำให้ป่๋ยก็งไม่ได้เด็กและเรื่องการกัน้นลมกันลมน่ะได้ครับเพราะมีอันตารายอย่านี้จริงๆถ้าแดดร้อนเปรี้ยวมากๆ ห, หรือว่าฝนตกว่ามันจะป่วยมันจะไม่สบายนะ ก็ส่งข้อควาอะไรการอันตรายอยู่ครัมันการอันตรายแล้วก็การแดดนี่อะกิวบอืมันมีมีอย่างไงบ้ก็ใส่ใส่รองเท้าก็ใส่ได้แล้วก็กาโรมก็การอยู่ในขันนกการใช่ไหมครับป้องกันกีวอลนะแนดจะอันนั้นกีวอลนะครับ เราไมา่ได้บ้ดได้เป็นไรแกใส่ใส่กคือารแสดงของคนที่ใส่ยดหน่ออเราเราบา้าไหมเฉยนี่ได้อได <c oughs> คอยแสดงธรรมนะ่ะถ้าเขาไอ้ที่บอกว่าสแสดงธรรมเหมือนคนเอาภาพพันสีสามไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นพันจมิรเลยนะมิดผมไม่เห็นปลายผมเลยนะครับแค่เขาสแสดงปลายผมเพืกหน่อยโชว์มานะ่าเห็นผมนะครับถึงข้างบนจะคลุมอยู่ก็สแสดงได้แล้วนะ แต่นี้ยหมูถ้าไม่คุมทั้งหมดมันจะเห็นผมออกมาใช่ไหมครับอันนั้นก็ได้หน้ายกหน้าแต่ถ้ารับบาสมีปัญหาอยู่แล้วรับเลย <c oughs> แต่บางคนมันก็เป็นการเคารบใช่ไหมจะใส่บาปผ้าต้องถอนหมูก่อนแล้วก็ใส่บาปของหมูครับใช่ครั บ, บู้วันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นแรงสนสนหรอกนะแต่ว่าเขก็ใครชินก็อย่างนั้นนะ ไอ้เขไม่รู้ว่ามันควรทํำยังไงให้ดีนะครับไม่เป็นประโยชน์นะครับต่อไปนะครับ